อ่าตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่พวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้สนใจในธรรมแจกประกันสร้างใจฟังทัศธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังดจนิมาแสดงอ่าเพื่ออ่าสลับสติปัญญา ของพุทธบริษัททั้งหลายการตั้งธรรมจำเป็นจะต้องอธิบายธรรมะทั้ไปทับมาจําๆสักษะเป็นธรรมดาอันนี้เพื่อยํำให้พวกพุทธบริษัทเลาทั้งหลายพขกันพอใจในธรรมะ พวกเราทั้งหลายการปรรระธมาปฏิบัติธรรม ะ, รรร ม, ะมั่นตน้นอย่างจากการหลียิ่นใด้ฟังธรรมะให้เข้าใจและให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าค <c oughs> ำพูดทุกจริงทุกอย่างเป็นเรื่องของภาษา <c oughs> เป็นภาษาลา่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอย่างทุกอย่างร้วนแต่มันมีรษคา ของภาษาเกมลอยเปอร์เซนต์ของมันทุกภาษาบ่มีคุณลักษณะงูบ่มีคุณลักษณะฉลาดเรื่องภาษามัน ง, งูมันฉลาดในตัวมันเองทุกคนจะนำการอธิบายธรรมะซึ่งพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าเป็นชุภาษิตเป็นต่างข้ามมัศวะภาษิตนั้นเป็นภาษิตที่ นัมยิดใจมนุษย์ทั้งหลายเขาชูธรรมะเดี๋ยวก็เป็นชูพระจิตที่เป็นคำพูดที่ดีเป็นคำพูดที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคำพูดที่นั่มยิตประชาชนทั้งหลายให้เขาอกเขาใจ อ, อันนี้เป็นเป็นภาษาเป็นชูพระจิตคือว่าจาที่ดีว่าจาที่งาม พูดไปแล้วบมเบียดเวียนตนโมเบียดเวียนผู้อื่นเออเป็นสุภาพจิตจะเป็นข้ามพูดอันปราศจากโมหะทั้งหลายคือโรคปึโกรธหนึ่งหล ง, งหนึ่งเรียกว่าเป็นสุภาพจิตสุภาพจิตอันนี้วางข้อฟังแล้วกะว่าเป็นสุภาพจิตคือเป็นผ้าจิตสี่บรี คือเป็นว่ามันหมดสื่อใจเจ้าของมันหมดสื่อใจเจ้าของมันหมดโมเดมเ จ, จ้าของก็ได้ว่าวาจ่าอันนั้นยุทภาพคิดอันนั้นโบดีที่นี่การที่มันสื่อใจเท่าทุกข้อ น, น่ะมันสือ่อไปของดีวัตถอย่าง่ะอืมสื่อใจเจ้าของอนะ่ะมันคิดกับนี่มันสื่อแตนี่เป็นของบมเดมนอน เรื่องสุภาพิจเป็นผ้าชิตกี่ตรงไปตรงมาอโมเดลสูงโมเดลต่ำเป็นผ้าชิตของพระพุทธเจ้าเพื่อปราบวามจิ ต, ตสันหาเพื่อปราบฟามข้อมหลวง ง, ง่ายต่างหากโมว่าสุภาพิตอันนี้ที่พูดตามใจคนพูดตามใจคนสอบพูดตามใจคนบ่าอสอบมันโมเดลเป็นอย่างต่าง บางคนก็สื่ข่าใจว่ามันวอดส่ใจเหาแตวมันภาคีบอดีมันมนทัมเรียกว่าวาจางันนบอดีมันบอดีเพราะมันวอดผูกใจเจ้าของหนึ่งที่นี่ทมมืนีเ้าเหมันสืใจเจ้าของนี่จว่ามันยากรือบัวต่ออื่นเ่เนี่ยบัได้เหตุมันคัดใจเจ้าของอันได้สอบกกวดท้าเขียวมันเป็นโทษแต่างมันมันสอบ กินเข้าไปแลวมันจะเป็นหายภ า, ายหลัง น, น่ะเนีะโทษมันจะเกิดเป็นปว่นา น, นี่เรียกว่าชูพระจิตือคุณาพระจิตเป็นพระจิพระพุทธเจ้ากรณีเป็นพระจิตของสาวกปรีเป็นพระจิตของเทวดาปรีมันหนีเมื่อถนแนว ม, มันเปลี่ยนธรรมะแต่ว่าพวกญาติโยมดราทั้งหลาย าฟังธรรมะโบาใจใจฟังธรรมะบบเก้าใจก็ว่าหูจักไงเดียบว่าหัวจักไงฟังธรรมโบเลขอิวัดางว่าเ ล, าา เ, ลเห็นไงธรรมะฉะนั้นมันจึเป็นภาษาอังกฤษกษตริว่าต่างแจภาษ า, า, าอันนั้นูดให้เข้าใจได้ดวเป็นภาษาอังกฤษที่เขานิยมกันวันนกัต ก็พูดให้อัจฉริยะสร้างมุตติข้าเลยบมดีสว์ว่าโมจักโมดีเรื่องนี่อืมฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราถึงสอนเรื่องภาษามันเป็นเรื่องภาษาอืมที่นี่เขาอยู่บ้านใดหรือเมื่ อ, อไหรอันใดก็ตามตาองถือว่าพูดอันใดให้มันเข้าใจได้ว่าอันนั้นคิดอันนั้นถูก ด, ดีได้นั่นเนี่ยเป็นภาษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันนั่น แล้วถามกันดูเรื่องกันนั่นแหละค้นใส่ภาษาอันนี้นภาษาอันนี้ไทยไร่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะบอกในเรื่องธรรมะแจให้ฟังกันเข้าใจว่าธรรมะนั่นเพื่อฟั้งปั้งแล้วเพื่ออยัางนนเนาะเพื่อให้ใจเราเห็นเพื่อให้ใจเราเป็นบนเป็นเพื่อว่าให้หูเลยยินงต่างหาก มัวเป็นเพื่อว่าให้ข่วงจําธรรมะตรงนอืมเพื่อที่ชุดของมันก็คือเพื่อให้ใจมันรู้และให้ใจมันเกิดให้มันเป็นตามธรรมะที่พระศ า, าสดา ส, สอนไว้ถึงว่ามันบโบัานเป็นเข้ากับเพ่งต่อไปให้มันเป็นตรงนั้นนี่น้นอมต่อไปในสี่ตรงนั้น พิจน้าอยู่ตรงนั้นนี่ยกเฉพาะง่ายๆท่านพระพุทธเจ้าสาั่งสอนไว้เรื่องเ ร, อเรื่องขั้วเกียร์ขันมันบมดีจกิงเรื่องขั้วประมาณนี้มันบมดีมีวันได้ธรรมะทั้งนั้นให้เหาหูเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันบมดีของบมดีทั้งหลายเรานี้มันจะเกิดเป็นท้ายในใจ ความประมาทมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเจ้าของความเฉียดข้านมันก็จะเกิดขึ้นใต้ในกิจของเจ้าของนี่ก็ให้ห้าวหูเสียบว่าให้เราปฏิบททั und. ติธรรมจริงตั้งสองอย่างนี่ถามมันเกิดขึ้นว่าในใจเขาเดี๋ยวอันนี้นะเป็นข้อให้เรางุ่มใจธรรมอันนี้นะเป็นข้อให้เราเพ่งธรรมะมากกว่าพิติอืมพยายามหายใจเข้าไปจนมันจางไปในความมักง่ายในความเฉียดข้าน ให้เกิดค่วมขยันมันเขี่ยนขึ้นมากเจีงทีเป็นตัวอย่างถึงจิตใจเล่ามันเี่ยวามมาก่ายประมาทมันจะเกิดสัมพายในจิต้ามันเกิดเซนเดเป็นเหตุเราจดได้ปฏิวัติทำมาเล่าก็ะส่งฟ้าฝืนมันเดือดค้วมประมาทอันนั้นเือดควา ม, มาก่ายอันนั้นนี่ปฏิวัติเจียทีมันเกิดึ้นนั้น ที่นี่้าหากว่าเราฟั้งธรรมะเพื่อทํำใจแล้วให้มันเป็นธรรมะเพือให้ธรรมะเกิดอยู่ในใจของเจ้าของหรือมันยังไม่ทันเกิดก็ต้องพระย่ามจะให้มันเกิดมันเกิดมันโมยากประพฤติปฏิบัติก็พระยามทํำใจแล้วเพ่งให้มันเกิดพอประพฤติปฏิบัติ บริเวประมาณนีเราขั้งทําเพื่อหายใจเห็นหายใจมันเปียนธรรมะว่าแม้นหาปากเป็นธรรมะามหารระหว่าจาเป็นธรรมะคือคือหายใจมันเปลียนธรรมะหายใจมันเห็นธรรมะหายใจมันเปลียนธรรมะทําไหนมันเปลี่ยนอย่างไรนี่เลยว่าห้าเพ่ ง, ม, งมือเสมอเือดการปฏิบัติธรรมะ บอมันเอาควาไว้ในสมองในปากตีนนี้ให้มันเป็นคนที่สุดจนมันเป็นไปทั้งสามถวานทา้งกายถวานทั้งวาจาถวานทั้งมโนุษยวานทั้งประตูทั้งสามทั้งสามช่องนี้ให้มันเปิดโดยสม่ำเสมอกันได้ มีการสรางถ้ำเพื่อเพื่อให้มันเห็นถ้ำเพื่อให้มันเห็นถ้ำปฏิบัติถ้ำธรรมะนั้นหาหากวาเท่าสิพูดให้มันเป็นธรรมะธรรมะ ม, ม, มันอยู่บนไรทิ้งหนึ่งที่มัเป็นธรรมะบมมาบีเม้วยในหลว่วายงสันซักทั้งเป็นตัววัตถุ คือเป็นก้อนเป็นลูกมองเห็นในตาล่วนจะเป็นธรรมะมดทั้งเฉมมโนมีลูกมันมีขว้มรู้ซึกในจิตไพ่ในจิตของคนเนี่ยสักรวนจะเป็นธรรมะมดธรรมะชนิดที่หนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมชาติผีมันเกิดมาเองมันเป็นดีองมันคนจีตแจ้งกับโมคือมันแจ้งกับโมระ มันเป็นดีขอมันมันมัคือค้นแจงเรื่องที่มันเป็นดีธรรมชาติของมันทุกสิงทุกอย่างธรรมชาติทีท่มันเกิดมาอันร่วนเป็นธรรมะอันนี้หมายถึงเรื่องวัตถุมัเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งหลายสั่งชีงสอนให้เราเข้าถึงธรรมะหรือใหเห็นธรรมะคือให้เห็นทุกสิงทุกอย่าง มันจะเป็นรูปจัตุรัสสารวัตถุนีงก็ตามหรือจะเป็นน้า ม, มาถํกากับซางดูซึกความรู้ซึกนึกคิดทั้งหลายก็ตามอันนี้ท่นรววมเรือว่าเป็นธรรมแบ่งออกเป็นก้อนอันนึงเป็นกองเป็นวัตถุมองเห็นโดยตาอันนึงและเป็นกองอันนึงกองกองอารมณ์หรือกองน้าํา มองไม่เห็ น, หนวิชาของเราทาั้งหลายเลยเก๊กายรับใจลูกในแก๊กายน้ำในเก๊ใจทั้งสองอย่างนี่แหละมันเปลนอยู่นี่ข้อนี้บนมีอื่นไกลเนี้ยมี่กายรับใจไปใช้ใสมีเรื่องข้านี้เรื่องกายรับใจร่วมกับเป็นลูกกับนามนี่คือรวนเสด็ัวัฒนธรรมรว น, รว น, รวนทั้งนั้นแหละ แต่ว่าธรรมะอันนี้ธรรมชาติอันนี้มันเกิดมาอิ่มันเกิดมาด้วยสิเกิดมาด้วยปัจจัยเติบโตเป็นมาเบื้องกลางมันก็แปรไปเบื้องปลายมันก็สลายไปเป็นที่สุดของมันมีธรรมชาติหรือธรรมะมันเป็นอย่างสิเปลืนมันแล้วก็มันมีอํานาจยิ่งกว่าจริงทั้งหลายทั้งปวง จนตัวบะมียังเสียมหายอำนาจจริงเพมันเป็นอำนาจเพราะมันมีอยู่เต็มตัวเพระมันใช้เสียมว่าขอลดขอเพิ่มขอพูนขอเพิ่มขอเติมขอถ อ, อนบ่ไรฉะนั้นสภาวะท่ำมันนี้ทันเทียงเยี่าเป็นสภาวะท่ำมั น, นเป็นท่ำสี่โซ่งไวเองมันโซงไวมันทร่งสภาบมันไวตามเดิมมัน เมีนชัยหามันน่อยมันก็หน่อยบ่ได้เมีนชัยหามันใหญ่กวนี้ไปมันก็ใหญ่บ่ได้มันเป็นอยู่ทันทีนี่มีสภาพวัดถ้ำถ้ำทั้งหลายมันเป็นอัีที่นี่ถ้ำยังเงนีก่อนเราเสียมาฟรงถ้อนเราเสียมาจาศีลตักดาศีนันนี่นะอันนี้มันเป็นปริญญาส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อจะให้เขาไปรู้ถ้ำเห็นถ้ำส่วนั้นนะ อันนี้คือถ้ำสั่งสอนก็คือโคดให้เข้าใจในถ้ำก่อนนานขนาดเมื่อเป็นตัถตวถ้ำยินคำพูดอันนี้ถ้ำพูดอันนี้เป็นถ้ำพูดเป็นถ้ำสอนที่แนะนน้ำคิตใจประชาชนทั้งหลายเป็นส่วนไฮเปอร์เห็นคํ า, า, า, น า, นาวาา่าอันนั้นตามติดจริงขนาดอันนี้ท่านเรียกว่าปริยัติเม่อเป็นตัวธรรมะคือเป็นคําแนะนําสั่งสอนจูงคิดจูงใจซับท่านหลายให้เข้าไปหูเห็นจริงตามข้อมือจริงเท่านั้น ฉคนั้นธรรมะอันที่เราเรียนดย้วยฝากของเราฟัง่งด้วยหูของเราเว้าใดอันนี้เป็นส่วนจริงว่าเกิดผลอย่างเต็มทีทพเพราะบมเมนตามธรรมะมันเป็นหนทางคำพูดหรือคาเว้าให้เล่าเขาไปเห็นธรรมะต่งางมันบนในตัวธรรมะอถ้าเป็นตัวธรรมะแล้วจริงๆนั้นมันมีพื้นฐานอยู่เหนือจริงทั้งหลายทั้งหมด จนข้าพระรามศาสตราของเน่าที่รู้แล้วเห็นแน่วแล้วว่ามีความสามารถจะไปแก้ไขถ้ำมันนั้นได้ด้ยพยขยามสางปัญญาเกิในใ้เห็นเห็นสามมันตัวนั้นบวมใแนี้จะไปทำไรทำมาให้เขาไปเห็นธรรมะไอหูธรรมะยกเห็นไงไงในปัจจุบันยางรูปรูปของเน่าเจือเจืออยู่นี่นั่งอยู่นี่ฟังถ้ำอย็นๆนี่แหละโรคถ้ำนะ มันจะเกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดจากเหตุจากปัจจัยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วที่นี่มันจะมีอำนาจอันหนึ่งมันมีกฎอันนึงมีอำนาจอันหนึ่งมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันมันถือว่าฟังความผู้ใดยางเห่าเกิดขึ้นมามันหน่อยอย่างสิมันจะนุ่ม นมมันเกิดแก่หรือมันกิดเปรไปตามเรือนของมันไม่เน่าสีหองสีไหฮสีหองข อ, อย่อมือซักปัญใดก็ต่างเนี่ยพราะมันมีกฎตายตัวของมันอยู่เมื่อเกิดแเดวมันก็เกิดขึ้นวันต้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยมีเรือนของมันกฎของมันมันสร้างขึ้นมาสร้างสกุลสร่างกายสร้างสภาวะสร้างเนงื่อสร้างนั้นสร้างสุกสิ้นกุญญาเกิดแต่ว่าเป็นหลูก เมื่อมันสั่งเป็นมาแล้ววันมันกับสิ่งกฏอันึงทำลายของมันวันมันจะทำลายของมันเดียวของมันโดยที่ว่าอาศัยศาสตร์ว่าอาศัยบุคคลบ่อาศัยคนให้มาคอยมันทีเป็นตามเหยื่อนของมันเป็นตามอาตโนมันเนี่ยแล้วผลที่ทุดมันก็แปรไปสภาพวัตถุไหยแปรไปที่ระน่อยอย่างพวกเราเราถ่านทั้งหลายปะการังหินไปจากอยู่ ว่าถ้าจากสดาสันเจียงที่ยี่นาคจุดนี่นิดเพราะมันโดยโด ย, โดย ส, สําคัญจิตสื่อผมขนเรียบฟันหนังให้ท่านทั้งหลายที่ยี่นาคยึดจุดนี่มันจิตเป็นอย่างไรเนี่ยเลาก็บพี่ยี่นาเห็นอง่ายว่าจุดผมขนเรียบฟันหนังมันก็จะเห็นความแปรกพรามันไปตามสภาพมันมันจิตแปรไปเปลี่ยนไปแปรไปลื่อียด ไ, ไ, ไปมันจิทําลาย เมื me, Guru, ่อม like ันสางเกิดมาแล้วมันจะทำร้ายตัวมันเองถ้ามันสางเกิดมาจนส่นมันกระบ่กอาศัยอำนาจของมนุษย์อาศัยอำนาจของจักมันอาศัยอำนาจเขีดอำนาจปัจจัยมันเกิดเกิดมาเมื่อมันเกิดเกิดมาเองมันในวดีเนี่ยมันก็ขีเสื่องเองมันอืมมันประจำเป็นที่ลองขอย่อมือสับเปลาเราทนายกี่น่งอยู่นี่ว่าม้าซอยให้มันแก่เนี่ให้มันเจ็บเนี่ยให้มันงอกเนี่ยให้มันฟ้าฟ้าดเนี่ ให้มันแหงมันเหวี่ยในนังหนูว้าเพราะเคยได้อาัยกูไดเออฉะนั้นอันนี้เฮ้าท่านหลายทีมมีอำนาจมันทีเป็นดีของมันเป็นอัตโนมันเมื่อมันจางเห็นว่าอะไรมันแติท่านไล่เองมันโดยบริเลอองขอย่อมือสัดมนุษย์ผู้ใดคนเลยนี่ในแก่กับคนหลังกายเราโน่มันก็แปรไปตามสภาของมันและผลจะชุดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยกั สลายไปเป็นเป็นจิตวุตบวนฝ่ายมันก็จะสลายไปเดือนมันเป็นยังสี่เล้ว่าอันนี้จะผ้าวัดจะผ้าวัดทั้มันส่งของมันไวจังสี่คผยส่งอยตามเดือนไว้ยังสี่ส่งไว้จนาทวงมาทักในเนี่ยใดมุ่ใดกระชัไคอบ่มีวันไม่มีไวจะเขียนว่านางไห้น้องคอย่อยกระบวันบระไวจเขียนว่าน่งหัวน้องอยคอยกระบวันบระไวจเขียว่าหล่อพราะย่อมูอยังในกระชังเจ็บนี่นี่ เนี่ยนี่คือธรรมชาติมันเป็นยังสิมันเป็นเองต๊ะในถ้ำที่พระาศาสดาดรือปราดท่านหลายทา่านเรื่องมันเป็นเองมันถ้ำวาเรื่องเห็มันเองเป็นเองมันมันบริเกียวถึงเราอื <c oughs> เดือนเห็นมันเป็นเองมันอยู่าหันกล้อเข้าใจเราบ่มีตัวเล่ามันบ่มีเราบ่มีอำนาจในที่นั้นเดีวก็บวบ่มีของขอ ง, ของเราในที่นั้นแล้วเราก็บริเทียบจะของทีงทนายเรานั้น เรียกว่ามันเป็นเองมันนะเลือดเรียกว่ามันเป็นเองมันอืมที่นี่เล่าท่านหลายบุคคลธรรมะอันนี้ท่านท่าท่านบอกว่าอย่างสั่งตั้งแต่ใดเฉลี่ยมากแต่กับท่านมันท่านมันจะเป็นอย่างสั่งอยู่เฉไี่มากเป็นอย่างใดเฉลี่ยมามันจะเป็นอย่างสั่งมากตั้งแต่เท่าเกิดมากนี่จะเป็นอย่งสั่งตอนเท่าเกิดมากจะเป็นสั่งโลกมากมันจะเป็นอย่างจริง มันก็ไลยตามปรารธนาของโกติหองกีไห้กี่ลอดขอยอมือประการใดมันจะเป็นไปอย่างไรเกิดเรื่อ ง, องมันเนี่ยถ้าหากว่าเรามีควอบรู้สึกอันหนึง่งอมเมื่อมาเห็นธรรมะอันนี้เมื่อมาเห็นตามเจ ร, รมชาติอันนี้ด้วยสติปัญญาด้วยรักษาทางยิ่ย่านของเจ้าอของอ หาขวอมู้อันนี้มันโ่ราณแกง่แต่มาเห็นธรรมะอันนี้น่ะโดยค้อมูลงง่ายบดูเท่าตามธรรมชาติอันหนักจริงว่ายึดตามธรรมชาติอันตามภาสาโมหะธรรมเมื่อควอมเห็นจริงเท่านี้ทั้งหลายเกิดเกินมาโดยขวอมือปิดคืออริยะมันก็เห็นว่าจริงเท่านี้เป็นตนเป็นตัวเป็นเล่าเป็นเขาเป็นของของเรา ความรู้ซึกอันนี้มันเกิดมาจากความหลงคืออวิชชาเมื่อมีอวิชชาที่มันกเกิดทังข า, ามซึ่ควบคุแมแจงนี่เล่านั่นของเราไปเรื่อยๆบวชตุบบจบเตี้ยเตี้ยก็เริ่มไปแย่งเริ่ไปแย่งแยง่งเอาอำนาจอันนั้ น, นไปเพียงเอาธรรมมาอันนั้นเอาชนะสิ่งทั้งหลายแล้วน่ะ แด็กก็เป็นผู้บรูเนื้อดูตัวเล็กไปจัดแกงเองว่าอันนั้นทันจงเป็นอย่างนั้นอันนี้ทันจงเป็นอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องการขออย่าให้มีแต่เราเล่าต้องการอันนั้นขอจงไลยอันนั้นให้มากนี่ความคิดยังที่เกิดมาจากความหลงโดยฐานที่ไปแย่งเอาวานเขากับวาไหนาไปแย่งเอาน้าเขากับวาไหนายังมาใช้โคโบไปเวีมาดูดเด็กมาจัดก า, ารเอาดูบรูเนื้อดูตัว ปริยัติ์รธรรมทั้งหลายปริยัติ์ธรรมทั้งหลายก็คือมาสอนให้ยึดกินญาณอันนี้ให้หูเรือหูเนื้อหูตัวให้นี่ความว่าจร่งเราหนันเป็นอย่างนั้นจร่งเราหนีเป็นอย่างนี้ส่าหาเถอะเรียกว่าเราสอนธรรมะเรียกว่าเราฟังธรรมะยืนยันอย่างอัตมาอธิบายธรรมะเดียวนี้คือการถ้าพูดอยู่เดียวนี้ก็บม่มีตัวธรรมะพูดให้เราไปเห็นธรรมะส่าหากซื่อวา่าเนี่ยขี่เขาไป คำพูดนี example, ่ค er ือชี่เข้าไปชี <librarians> <zinho quatre kilometres> ่เข้าไปนี่มันเป็นชี่ขึ้นชี้รวยมือเฮาชี้รวยใจชี่รวยวาจาเฉยๆอันนี้เรียกว่าชี่เข้าไปเฉยๆอันนี้เรียกว่าเป็นปริยัติโค้ดให้เข้าใจธรรมะโค้ดจะเห็นธรรมะโค้ดจเห็นความเป็นจริงของธรรมะคืออันนี้เป็นคำพูดเป็นอุบายจัดแยกตามภาษาธรรมะเรียกว่าปริยัติธรรนี่อาจารย์ถามว่าเล่าถิ่นมะฝั่งสุไหหลู่ อมให้เห็นให้เห็นให้เบาได้ให้มีคมดูในลักษณะข้ามปวดอนี้มันจริงบ่เกิดประโยชน์ต้องไล่ปริญญาอันนี้ต้องขี่ไปเห็นตัวธรรมะเห็นส่วนธรรมะทีิจริงว่าเป็นต้นใจตัวเพรมันอยู่จําั่งเสมอว่ามันเป็นยีนสันตจะได้จะได้มาเดือดยังไมันเป็นอัจฉรัติของมันมันเป็นอยู่อยงนั้นถ้าเราลงมาศาล า, าตั้งแต่สอนสะพายเห็นถ้าบ่เห็นข้ามามันถึงยังมันเป็นผูกเนี่ย มันหลงนี่แหละมันหลงเ้าไปเห็้คามเนยมันบ่หลงเห็นความจริงว่ามันเป็นยังไงมันบ่หามันบ่หัคันบ่เห็นมันก็หาอยู่มันก็หัวอยู่นี่สีะมันหายอยู่มันหัวอยู่มันจะเป็นเล็กน่อยบ่เร้าเชื่อมันจะเป็นว่าบ่เศร้าจะเกอดมันจะไปตอหล่อเียเอาของถือห่อบ่ไหลอยู่ยังไงจะมาเสมออย่างบ่ได้เศร้าเกิมันจะเป็นทุกตลอดการตลอดเวลา ในะาระาศราสนาสั้นทิ้งให้มาเห็นธรรมะหรือมาฟังธรรมะเพื่อทั้ใจให้เป็นธรรมะแยากให้เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะอ น, นันมันสิมดปัญหามันสิมดปัญหามันชุดแค่นั่นเองมันเป็นอย่างนั่นเองทิ่ได้ข่าใจว่าทิ้งแล้วนั้นแล้วติดปุงมันโมได้แล้วติแดงมันมได้แล่วจะไปเป็นเจ้ากี่เจ้าการจัดแจงมันโมได้เรื่องอ น, นันมันเป็นของายตัวอยู่จัง มันเกิดถึงมาเองแล้วมันกับกีแพรไปเองมันเมื่อแปรไปเองมันบันิตสัมันกับทำลายเองมันเมื่อเรียนธรรมะเมื่อประพฤติธรรมะเมื่อปฏิวัติธรรมะให้เห็นธรรมะแดี๋ยวเป็นบ่อยแก่ธรรมะให้เห็นข้อจริงถ้าหากว่าแก่เอกไปมันมาเป็นข้อจริงไว้มันเป็นข้อผิดส่างเอาแย่งเอามันไม่ใช่ข้อจริงถ้าว่าเป็นข้อจริงมันจะเป็นธรรมะผี่ปลอมเป็นธรรมะผี่บนจริง เมื่อท่านมาบ่ญมีความกิงก็ บ, บุ่มีสัจจะทำเมื่อบุมีสัจจะทำเป็นส่วนก็บุมีทางประพฤติปฏิบัติใหตุถูกดัมันก็ออกจากตัวอริยสัจคือถูกแต่โทัยมีโรดมมันบอกต่อไปอฉะนั้นบรรดาพุทธรบริษัททั้งหลายในขั้งกรก็ดีหรือในขังนี้ก็ดีโดยมากกิพภะศชาลากขาเรียกวแสดงจะทำมะหรือเพกจะทำมาผู้ฟังก็ฟังจะทำมะ เมื่อเขาไปเห็นความจริงตามสัขารของมันแนี่บไม่แนวสิไปแต่งบไม่แนวสิไปแต่งมันเล่าก็เลยหมดอำนาจหมดอำนาจหมดอำนาจสิจะไปจัดแจงจริงทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแตนเมื่อเห็นด้วยปัญญาเลี่ท่านจึงบอกว่าอืปัญญาพวามดูเถ่าตามไปจริงของสังขารนะสังขารมันเป็นจริงอย่างไร ให้รู้ตามจริงๆของมันอย่างนั้นมันสมมติกันแค่นั้นเลยทีเดียวที่สังขารมันเป็นไปตามธรรมชาติมันอย่างไรมันก็เป็นของมันหลงอย่างนั้นภาหากว่าเราทั้งหลายไปแก้ไปแจงไปจัดเป็นมาเมื่อไหร่นั่นธรรมะอันนั้นมันสืเป็นของปลอมธรรมะอันนั้นมันสืเป็นเครื่องบริสุทธิ์กุศลมันสืเป็นธรรมะอันสุกกระโปรงคือธรรมะอยู่ในใจของคน มั่นเกบัญญัติตามใจเกี่ยวกบัญญัติตามอริชาถ้ามาทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายบัญญัติเึ็นมามันจริงเป็นตัวนนจะทำานี้ิอริชาท น, นัมันจริงเป็นของบกจบบินบกฤบเรียบจะเกิดมันเป็นตั ว, วัฏะมันหมุนเมี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ น, นัน่นอันนี้เรียก ว, ว่ามั่เป็นความจริงมันมีท่านทแจกายเลยแจเกเพราะเศ้าจะเสื่อ ย่างเบาช้าแกเบาช้าไปเบาช้าด้วยด้วยมันไม่มร้างสุดมัไม่สรางจบเมือนันกันก็ปากโอมเข้าขี่มาแดงไใหม่ทั้งหลมันตายมันสีตายไปอยู่ชิวันเดือนนึงมันก็ตายไปอยู่มันก็เป็นปมปมอยู่เท่นมันกับไปทังหลมันกัเวียนหน้าเวียนหลังเวียนหน้าเวียนหลังอยู่เท่านั้นแต่ค์่างงานงค์ชางเดินมันก็ไม่จบเจเท้าแกมันไปทังหลบ่ได้มันก็อยู่นี่ วัฏะอันนั้นวนอยู่บริสเส้าจืเทืยมความคิดของบติชนเราทั้งหลายตัวนั้นมันจบบริสเจือเพราะมันว้นอยู่ของเทวมันนั้นเมื่อแต่เราคิดไปไกลมันทั้งภูมิอนเมันังวนอยู่หันเลยมันตัวไปไกลๆมันบมไกลมันอ้อมอยู่หันนี่แล้วเรเห็นความอ้อมแล้วเรเห็นความวนบรเห็นตัววัตฏะในจิตใจของเจ้าของพาเพราะว่าปัญญามันบกเกิดในจิตตัวมันส้าเป็นปัญญาเน่ยมันก็เลยเป็นโมหะจ้ามันเลยเป็นความหลงจ้ และอาศัยความหลงในเป็นปัญญาและปัญญามันก็ได้หายอาศัยหลงเป็นปัญญาอาศัยฝ่อมหลงเนื้ออริชาเป็นผู้โพเดสการมันก็เึิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นมี่รักปฏิวัติมันหมีนี่ฉะนั้นปฏิวัติตัวนี้มันมาในเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะเรื่องให้เขาไปเห็นให้ไปเห็นยางคือวาน่ะหเห็นยางคือวานกานไปเห็นเดาห้าบุรีบนแจกเดาห้าบุรีบนแจกไขมัน แต่บ่ญมีบุญมีเรื่องแต่แจงมันอีก่บุมีเรืยองแจงบุญมีเรื่องแจงเพราะถ้ามาอันนั้นบริเวบกของเต็มบริบูรณ์สมบูรณอยู่เสมอเข้าจะไปเอาเพื่มนเขามันกับบริสุาธเสมเข้าสะไปเห็นว่ามันหน่อยว่าสังเสตได้เพิ่อนขอตาบุญเอเนี่มันเป็นความหลงของเจ็บองาัเอือนะอันนั้นมันไงโผล่จะเอาออกยังสั่นมันก็เมนเข้าจะียกว่ามันไงโผล่จะฟ้องฟองนามเจ็บของมันทิศ เขาเห็นว่ามันหน่อยโดแร่พอความหลงควนมช้อนจะหายมันเป็นเรื่องของแต่ควาคิดทั้งหมดแนั้นพระพธิจารย์ยังมาเห็นตามธรรมจารย์ในสิบเอตอต่อเสียงน้ทอดมันงนแล้วแไระมันเป็นต้นจาท่ามคิงแล้วน่นเป็นว่าหาไปงมศกจออยหันหายไปง้มปั่นจอโยหันมันสิเป็นยังไงมันจะเป็นยังังแล้วเรื่องที่มันนึกไปคิดมา ตามธรรมชาติตามภาษาของมันนันก็เป็นของมันอย่างเดียกนะชาหากล่าว่าเรามีความรู้จุดรู้เท่าตามธรรมะคือจิตใจเนี่ยถึงเนีมันสื่หนึ่งมันจะคิดไปกระจายมันมันบริเกิดผลไหลอย่างบริเกิดผลไหลอียัางร่างกายนี่ยกระจายมันก็บริเกิดผลไหลอย่าง้าเราดูเรือตามมันแล้วก็ส่งไว้จักมันจะสบายสงบระงับอันนี้คือธรรมะอันนี้ พระพุทธเะจ้าให้เห็นเชียหอพิจิณาถึงถึงสงกุลลำไส้เดีวยวเป็นสติปัฏฐาน น, นี่นี่กายานุปัสสนาเมียสลนาปัจจานิสตาอนุปัจจามารณุปัสสนามันก็เรื่องอันเดียวตัวนี้เรื่องเห็นธรรมะค่อยๆแต่เห็นได้จริงทั้งหลายในกระบวนอีหยังนี่บทเป็นอีหยังนั่นฉะนั้นธรรมะอันนีตน้ต่างเชียงห้เขาไปเห็นบ่ญเป็นต่นงียหอเขาไปแก้ให้ไปเห็นความเป็นจริงมันจ้ะ ยังรูปอี่อาการมันเกิดเดี๋ยมันแก่แก่เจ๊กตายเปลี่ยนธรรมดาหนี้มันเป็นอยู่กิจไรมาแล้วมันเป็นของบหมันบรมยงของบรเปลี่ยนเป็นสารอยู่แล้วมันแมนอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วสั่งเพียงส่วนเนี่ยขอไปเห็นธรรมะบแมในผ้ากันจะทําลายธรรมะบรมเป็นเช่นใดแก่ธรรมะเมื่อเขไปดึงธรรมะเบิ้บนเขียงเบิ้บนเบาเบิ้ลผ้าละทั้งหลายทั้งปวงที่จะเขาไปแบกไปหามไปแก่ไปโคดมัน เท่าก็มาเบิงธรรมารู้เท่าตามไปจริงของธรรมะถ้าหากว่าเราเห็นธรรมะเราก็บเบิดประมาณบาดตัวเราอยู่ใส่ของเราอยู่บนไหนมันก็บนมี่อย่างนี้มีแต่จะฆ่าวาท่างหลายเกิดแล้วแหละมันไปหายไปตามเรื่องเพราะมันมันบนมี่อย่างนี้นะที่ห้าเอาอย่างที่ห้าไปยังสี่ลำบากไปยังทีทุกข์ไปยังกับทีมีไปยังทีน้อยไปใส้ที่ยังไปใช้ทีสันไปใช้ที่เงาไปไส มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ที่ว่าจะเนี่ยมันผลที่ชนก็กระโจมาสู่อันเดียวอันเดียวอันเดียวกันเท่านี้นะ่ยมันชัวรวันตาเมื่อหากว่าสายโยคะวิญญาณเจ้าทั้งหลายผูกกระเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแบบจึงสบายอืมเป็นเสดีบอ่โบอโศกเศร้าบ่อที่ได้ลำพันนําำกุรายก็นไปอยู่ตามธรรมชาติเห็นนี่ในวันสภาวันทั้ง ม, มันเกิดเดียวพอดีให้ไปเห็นความพอดีกันจัว่า แห่เรียนธรรมะแล้วก็ไปฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะคน ท, นคทาาคี่มีความรู้กับพอเห็นธรรมะตามเป็นจริงมีความโกรธมีจิตใจงุนงงจริงทั้งหลายเหล่านี้ตะพอะเห็นธรรมะโดยสิ้นเชิงมันจริงมีความหลงใหลอยู่ในสภาว่าทั้งหลายเหล่านี้ยิดใจจริงบนปีติสระได้ <c oughs> นั่นที่นี่การฝั่งธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะการแห่หูธรรมะอันนี้เพื่อให้หูกอดอันนี้ แ่ว่ามีอีอย่างมันกระสุดอยู่นี่มันจะหมดปัญหาอยู่ตรงนี้ที่มันหมดปัญหาแต่ใจว่ามันเข้าใจว่าของเราหรือตัวเราหรือของเราพทานี้เมื่อหาว่าเกิดเป็นของเราหรือถัวเราหรือของเราเกินมาปัญหาทุกจริงทุกอย่างมันนับวันจะมันาเกิดเึิดไ ป, ไปเรื่องแง่แก่เนี่ยแก่ตัวแก่เนี่ยแก่จนทุกจริงทุกสราพนี่มันก็ยิ่งนับถิอไปด่อยบริยุทธิ์เกิด เพราะมันมีที่เกิดมันเกิดได้มันเป็นเรื่องจรงนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนเชีงไอ้วนกลับมาบนกายองเท่านี้แหละจะหาส่วนใดมันอย่างมันถ้ามาส่วนอื่นจเป็นอย่างสี่บริเรื่องบริแก้์ยังมันเมื่อกลับไปเห็นตามเป็นจริงแหละเ ต, ตส๋สังอูปาฉโมสุภูบัณพรุษท่านกับผู้ขาพเ้าไปเห็นสังขารเนี่ยสงบจากสังขารนเีเป็นสุก ข้ามมากายสังขารข้ามมาจิตสังขารข้ามมาสังขารใจมันก็เป็นสังขารจิตใจนี่ก็เป็นสังขารสังขารนี่ว่าเปนตัวเราแต่ก็ว่าเป็นของเราให้เข้าไปเห็นสังขารนี่เตสังมู่ฟ้าสมู่สุโขเข้าไปเห็นสังขารนี่แล้วก็สงบมั่นก็สงบที่เพราะเห็นสังขารเพราะมันเป็นสังขารมันบเป็นตัวเรามันบเป็นของของเรานั่น ขันมันเกิดขันมันเป็นแต่ตัวสังขารมันเป็นมันสัตว์มันโมเป็นบุคคลมันบมเป็นบุคคลมันบมสุบบุคคลมันบมถูกสังขารมันเป็ี่ยนมันมันกระจงงจากความสุขความทุกข์เท่นั้นแหละที่ว่าอย่างไรมันไ่มีอะไรเป็นอยังหยุดน่เนี่ยมี่ขันเขาไปเห็นทุกขันเขาไปเห็นสังขารเดี๋ยวมันจะเห็นธรรมะจริงจีิงพไม่มีใคเป็นอย่างวัดมันเป็นยังไงกันไม่มีใครสุขไม่มีใครถูก บ่มีไฟเจ็บบ่มีไฟขายบ่มีไฟจาย่จ้ขาขามันเกิดมามันก็เปลี่ยนจรงจริงี่เขาไปเห็นข้ ม, มันเป็นอย่างจีิความทุกข์หรือความสุขอันนั้นหรือความดีใจหรือความเสียใจนั้นริงมันเกิดขึมาในจิตใจของใครโยคาวาจัเจา้เาถูกกรบร่วงอู่ธรรมะตามจริงจริงนั่นมันจะเป็นเรื่องแค่นี้เองคันเห็นอย่างสีด่ด้มันกเป็นบุญอเนี่ มันวัตถกมันจะงบเลกบุญทั้งหลายมันก็ไปรวมเยือนบันหลียบุญหน่อยบุญไงบุญใจบุญตาบุญยังจะเข้าไปร่วมเยือนบันหารบุญทั้ลี้ยเวนีเข้าไปแก่ธรรมะเพราะบทเห็นธรรมะมันจริงสพรากันเป็นถูกยกตัวอย่างเป็นว่าคือรูปร่างกายของเรานีหลยถึงแม้กว่าร่มมันเข้าไปมันก็ชายถอดออกมาถูกระยะ เข่าไปก็ออกมากออกไปก็เขามากเป็นของทายทอดอยึดทุกระยะร่างกายชีวิตจิตใจมรุษเทนิจึงอยู่กันสบายนี่พูดถึงอาหารกาเรเลี่ยงรอเลี่ยงร่างกายนี่ขึ่นกันมันก็มีการเข่าไปแล้วก็มีการทายทอดออกนี่จึงถือว่ายังพ่อกันอยู่สบายชสมวอยู่ดีบุ๊มนบนนี่ร่มกว่าชือกัน เขาไปแล้วก็ออกมากออกแรีวกว่าเข่าไปนี่จะเป็นธราบดาของมันเมื่อมันเป็นสังขารอยู่แล้วสังขารนี่จะจินมทุ่นอยู่ไปได้อาา่าง้งหักันเข่าไปแล้วมันก็ออกคันเข่าไปแล้วออม่นออกมันก็พิดนี่เดีย อ, ออกไปแล้วม่นพี่เข่ามากมันก็พิดอยู่และ่ะนะล่มนี่คือกันออกไปแล้วเพราะเข่ามากก็พิดเข่าแล้วเ่าออกก็พิด แต่ความเห็นเราเกิดมาแล้วโอยาาให้มันแก่ไม่จะเปลี่ยนไปไหนโอยหาให้มันเก็บบโอยาาให้มันแปรนี่มีอยู่แล้วโอยหาให้มันเสียอยู่ร่วมกันแต่โบ ย, ววายาฝากจากกันนี่มันจะเป็นไปโบไดก็เพราระมันเป็นเรื่องของจเจตีฉะนั้นพระพุทธเจ้าทาเจตให้ที่เจริญนี่ยันถุกสริงทุกอย่างก็งงงให้เทียร่าที่ว่ารักมันเป็นอย่างที่ ลัทธิมะมันเป็นยังไงสิเพราะมันสั่งตัวมันเองเห็นว่าด้วยธรรมชาติอนั้นเกิดมาจากเหตุเกิดมาจากปัจจัยน่นเมื่อเหตุหรือปัจจัยสั่งมันเห็นว่ามันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผู้ใดเป็นผู้สั่งมันมากกว่าคือกฎของธรรมชาตินั่นหละยไปเหมือมันสีทรายไปเหมือมันสีทำไรยไปมันก็เป็นกฎอันนึงตายของมันอยู่เสมอ มันเป็นไปนเรื่องเรื่องอย่างนี้เป็นธรมรมดาของมันอยู่อย่างี้เรียกว่าธรรมะนี่อธรรมะมันเป็นเรื่องอย่าศที่นี้เรื่องธรรมะโดยปริยัติทางไหนจะยกขึ้นมาเล่าเรียนกันน ะ, นะมันเป็นเรื่องภาษาข้ามพูดแยกท่ายให้ก็ไปลู้คว่ำเป็นจริงกันนั่นตนามันบ่ได้เป็นตัวธรรมะมันเป็นโหนข้างเนะนำ้ำซัดทั้งหลาย เข้าไปเห็นขั้วจริงอันนันซื่งที่เราพันศึกษาเราเรียนกัรอยู่สมามเสมอนี่แหละพวบห้าท่างหายก็เข้าใจว่าเรามีธรรมะเดี๋ยวเราเปลี่ยนธรรมะเดี๋ยวเราหลุดธรรมะขันวันหลุดธรรมะันว่เปลยนธรรมะขันว่าเห็นธรรมะมันเม่หลุดรอกมันไม่โกรธรอกมันไม่หลงมันรวดรวดหลอกมุ่นมันมีธรรมะมันบเปลี่ยนธรรมะมันมาเห็นธรรมะนั่นแหละมันจึงเป็ขาดของจิตเหตุตัณหาอยู่สมามเสมอนี่บริขาร เล่าว่าเห็นยานสีมันเกากระจางออกไปอฟน่ะกระจางออกไปอันนี้เรียกธรรมะอันดึกซึ่งมันจะเป็นอย่างสีเรื่องหนึง่งธรรมะเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นระเบียบ ม, มนุษย์ได้จัดทังหลายอยู่น้กันให้มีระเบียบให้ดูจักเกงใจกันให้ดูจักจริยามารยาทอันนี้เรียกว่าธรรมะเป็นสีระธรรมอยู่น้ำใกันก บ่ให้ทะระกันเรื่องให้อดไหวให้กันไหวบ่ให้เียดเบียนซึ่งกันในการอันนี้เป็นธรร ม, มาชาติหนึ่งเป็นธรร ม, มาต่พระชาชนทั้งหลายปฏิบัติอยู่กันเป็นกุ่มเป็นกอนธรร ม, มาอันนี้เป็นบห้เกิดความสุขเกิดความสุขให้ใี้ความสุขพอปฏิบัติตามตามทรรมายถูกต้องตามระเบียบว่าจะฟ้าฝืนเนี่ยแตนี้ความสุขแกคข่ความสุขอันนี้มันจะาไว้่อเอาสุขมัน คือแบนงพักอะไเนี่ยเพื่อใจทุกเิดขึ้นหม่อีกมันกะบกพรนอยู่จะใดมาเดียกว่าชีตธรรมนี่มันกับใข่อย่างไงใข้กัวกุคนอยู่บีธรรมะชโม่โมโหชินบมโหูรรมมันไครกัวแต่ลักษณะที่จะคนทุกข์อันนั้นมันจะเป็นนี่เป็นปัจจัยใะนั้นพวกพุทธบริษัทเอาทั้งหลายถ้าค่อยน่ไปาค่อยทําไปการฟังธรรมะอย่าฟั่งธรรมเดข่าใจเลวมันเลี่วให้มีภาวนาคนกันไป ให้มันเป็นเหตุให้ไม่เป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยต่อปฏิภานต่อความ ป, ปุจจุทั้งหลายถึงแม้ว่าโรคปอดโุดปอดีดดลด้ีซึ่งมันมียใินดใีใจของเราเกิดขึ้นมาแล้วเล่ารู้จักมันทันรู้จักมันแล้วให้ห้ามทำมาเดี๋ยวป ย, ยายามว่าอันนี้แหละเป็นศัตรูอันนี้แหละเป็นศัตรูให้เลาหมายแบบจำรร ม, มั่เสมอเมื่อไใดน้อเราจะต่อยมันดอกใดเมื่อใดน้อเราจะถอ น, น ม, มันออกให้ท้อยมาเสมอให้ย่ำมันอยู่เสมอยจะไปหนอ่งน้อนอยู่เสมอ เนี่เรียกว่าศีลธรรมแล้วพระพุทธปฏิบัติไปเรื่อยๆไปนี่อุปทานคล้อยึดมันถือมันแต่ว่าให้รู้จักอุปทานที่เรายึดมันถือมันไว้ถึงแม้ว่ามันถุกใหญ่มันถูกมาให้คอยละวังมันจะไหวเสมอคือกันกินอาไปอย่างงวงอย่างกล้วยอะไรเนี่ยมันจะไปใกลเข่าไกลนาวเพราะมันนาบไหวถ่ายมันกินแล้ไม่กินเดีต้นสองต้นหันอย่าให้มันกินหลาย มันกินได้หน่อยพอเพราะข้าวเปลอเผ่ อ, อห น, หน้หนอยถ้าเราไปนอนงย้อเมื้อยเมื่อกินเม่อแเหมัอ น, อนจุนดีมัอนเผื่ อ, อ่ถึงยังไงมันเกิดเป็นความประมาทอืมนี่แหละความงที่ได้สีถึงงงความงมงหมายโกดเราท่านาหผ้ากันมาโอรุอยู่ที่นี่ความกันมานั่งอยู่ที่นี่เพื่อให้ใจเราเห็นธรรมเมื่อใจเราเห็นธรรมะมันจะมีความปนทุกข์าฉีไปเข้าใจว่าท่ำเผื่อไอ้ยัง คณนณนั่งยังบนถ้ำคนณนี่ยังบนเป็นอย่างจิตไปเข้าใจ อ, อย่างสั่งอย่าไปพาดพิงของคนตาบอด ถ, ถ, ถึงคนตาบอดถึงคนหูหนวกถึงคนตาฮัตเข้าเริ่มงตากรเห็นกรนอจับเอกร อ, อย่าไปคล้อยคนตาบอดมาจับเอาราเยาเราเป็นคนปากได้บนไปลเป็นคนใบเห็นแหนวเยวว่าวกรเถาอย่าไปคล้อยคนปากคือเราขาดีตื่นเกี่ยมเหล่ายางไปโดดไปเตะเศ้า อย่าไปค่อยคนขานหืมเราตื่นแล้วเราอย่าไปค่อยคนมืดอยู่ให้เราพยายามไปพอว่าสถานที่แล้วยอนี่เป็นสถานที่มีไถ่มากบูญไหวมากมีไถ่มากมีโทษมากอืมถึงแมย์บาพระพุทธเจ้าจะยิ่สอนมาทาหมู่เมื่อก้อนหมู่ ก, กัไปรดูดอย่าไปหินหกับเขาอืเราตาดีกับมองเห็นแต่กัไปรดูดอย่าไปหินหคนตาบอด เล่าขาดีเป็นต้นยันจะถึกึจะต้นขาหักเท้ากบไปก่อนเคลื่อนไปก็ไม่ยังเมื่อเราเคลื่อนไปที่ใดหน่อยมันกวไกลจากขาดชื้ไปที่ใดหน่อยเมื่อเรามันเคลื่อนที่ใดหน่อยไปมากๆทั้งมั่นกวไกลไปไกลขาดชืไปสุกต่างสุกต่างสุข้าวหมายก็ว่าการสร้างคนงามา็ดีเราทนายมั่นก็นับวันมันจะห่างจากกล้องโซ่ก็เมืดทั้งหลายก็เมืดอก่อนทั้งหลายไปทุกที่ทุกที่ เมื่อเราสาเหตุต่างปัจจัยกับที่ได้น้อยระน้อยมันกับที่มีเหตุที่ปัจจัยเพื่อพ่วมผลทุกๆคนให้พัะการตื่นเมื่อตื่นตัวดอกบัวกอเดียวกันเกิดความกันมันเบาหวานควอมกันอยู่ในงมนก็มีอยู่การน้็มีเสมอหน้ามีบานแเดียวมีอย่าค่อยกันหาค่อยกันมันเจ้าสิตกินป้าสิตกินให้พักการขยัน ให้ไรแคร์ไหนกับพยายามลุกไปยางเต็นทีอของเราตามก้อมสามารถที่เราทั้งหลายที่กันตะเกียกตะกายนี้อากข่วมร้อนวนไหวนี้ได้ตามก้อนสามารถเปียกไปกเห็น ง, ง่ายขๆคล้ายๆเขาบอกไกวขี่มันกำลังกำลังลุกลุ่มมาสูบา่านเเราอย่านอนใจถึงเมย์บ่าเล่าไรของแล้วกว็ยิบเคลื่อนไปเรืยอืๆน่าคือกัน ข่ามโรคือกันข่วมโกรธือกันข่วมือกันหรือมันจะมันจะยู่ทั้งหลายคือข่วมตายทั้งหลายมันสามทา่านเราชะม้อนเฉลิมยืนถ้วนถกวนแล้วไปเคลื่อนไปยางน่อ ย, อยมันก็ทําทําภพท่ำชาดเขาไเคลื่หิน้่อยเขาหน่อยเขา<อ>น่อยเข า, นเขาคนจิตุบันพรุท่างหลายการสางน้ำท่ำบุญการสางเนี่ทุกริงทุกอย่างว่าจะอธิษฐ า, านจึงไปบอกว่านี่ภาก็จะโยโหตุ เพาะจงเป็นปจาานนัจจั่อบริการนะเทศจะไหนจะตดเป็นัจจัจ่อบริการต้องเพาะว่าหน้าเลยเออเมื่อฟังซื่อๆ ไ, ไม่เป็นปัจจัยมันโมเป็นได้ฟังในตอนพิจารณาทีา่าราเห็นเรยียจรงกี่คนละพอลกไปนำเลยนี่ช่วคนอนยังบ่กนไปไนี่คนอื่ยังบุกหนไปเลนี่คนอื่นเขาเายังอยู่่าเรมาเฝล่าต่เฮาแต่ยังปอย่างู้อื่น เสืออะไรเนี่ยจะเป็นหญิง้นอื่นคนไหนมาโมเรีย น, นจะว่าจะนั้นมันจะโ่วนฝ่าเสือแรนโดนหลักมูเนี่ยจะเป็นหญิงคนอื่นเาอันตรายจะว่าถึงเราเมื่ อ, อไดก็เป็นอย่งสัตว์คือการฉะนั้นวันพรุษจริงเพงว่าจะวันนี้พานาปัจโยโหตุให้เป็นประจายยต่อประนิพพานแดี๋พระ น, น, นิพพานเนี่ยกระเบนวอลสวิ่งกระเบนบอลสีแรนดอกมันมืนบอลหยุดหรือฟันตีกันย่างกระเบนหยุดกระเบน บ่มีกล่าวไปบ่มีถอยกลับบ่มียุดอยู่บ่มียุดอยู่บ่มีกล่าวไปบ่มีถอยกลับให้ใจยังขันเมื่อหากว่าเราเข้าไปยันถ้ำตามธรรมชาติกันผลพวกรู้สึกเข้าไปยันธรรมะน่ะมันจะเป็นเองของมันให้มันมีกันไรให้มันเห็นให้ให้มันอยายไม่มีความสงสัยปฏิบัติธรรมะถึงแมื่อมามันบังคันถึงที่สุดการมันบ่มีความสงสัย สมกระับเป็นพู้จาริยศาท่างหลายพันกว่าศึกษาที่เอื่นนอกธรรมะนี่บม่มีมั่นใจเป็นไห่ความสมาธิไห่คว้างโ ย, ยเยนเป็นสุขไห่กวางสงบระงับนี่นอกจากธรรมะซึ่งพระศาสดาท่ า, า, านคาเคยรู้แล้วเย็นแล้วสัตว์ไว้นี่บ่มีอีกต่อไปนี่เรื่องอันเดียวเท่านี้คือเรื่องธรรมะนี่ที่มัทซอยเท่าท่างหลายเป็นตัวไห่ยีความสบายไี่กวามสงบไห่กวามม้วางระงับ นี่ถ้าพูดถึงจมะคันบอกอย่างนึงมัม่นสจทํามาอันมัน่นใจดีกว่าของเยาวานน่ะมันเด็กบอกไปเจอคนคุยได้นี่ก็ดีบอกว่าการไของอยาวานอย่างนี้จะนวใหงเฮ้าหยายเด็บ้ า, าม่นบ้าเม่นมัมม่นจใจเฮ้าสงบเลยลูกตัวนี้ร้านกัีเมียก็นี้ครอบครัวตัวนี้ก้มทุกตัวนี้กอ ม, มีไัวนี้จะเนี่วานน่ะนะบนหนูดูบ่นบม่นแน่จใจเฮ้สงบ มีเนียจะหงงมเนวจะห่งยามิเทเนวยีเทนียแทงเข้าได้ย่บหันได้ขนอกจะนึงธรรมะมันมีราคาหยิ่งกว่านั้นอยู่หรอกแต่ว่าเขาอยู่ในชินทั้งหลายเราหนักเราก็ต้องเทนธรรมะกลไปบึ้งคันไดมีชินทั้งหลายเราหนักโบมีธรรมะมันกับสมบูรณ์มันเป็นของคู่กันสนั่นอยากแยกเฉพาะกันก่อนอยากแยกันก่อนคันพี่น่าเห็นธรรมะนะธรรมามีราคากว่านั้นโง่เงี้ยู่บว่าท่าน ชาลัพพายธรรมะเนี่ยมวนเยาวานะันจะเกิดพงงุงยากาลัพพาธรรมะอันนั้นไม่เศร้าอยู่มันจะม่วน ย, ยุงวันเอ่ยยุางก็คงเรื่องของมันอ่ยมันจะมาเอาจีนเอาจังแล้วมันซ้ำเล็กหน่อยมันฟาดคอใหญ่มยใหญ่วาว่นะอันนั้นนอคอ อ, ออันนั้นนอเม่อนนออืออเอไปนํามันจะเนี่ยมุนเนี่ยเออไปให้เล็กน่อยมันชอาให่สีรอดแต่ว่าเาครกเขาคืไปเรื่องหนึงางหาก ของในบ้านคือกันในเื่อนคือกันลาบคือกันยอดที่มันมีอยู่ไ่นเทากัเหตุไปถามมันเฉยๆเห็ุไปเพื่อควมรูเท่ามันอฉยๆเหตดไปเผื่อควบอยู่เหนือมันเผื่อที่เป็นถามันเผื่อทอยู่ใต้มันเผื่อที่อยู่เหนือมันเพื่อที่สูงกว่าินทั้งหลายเรานั่นให้มันมีอยู่ในใจสมาเฉวอย่างจันอันนั่นดีกว่าโคกข้าามปราถึงความด้วยโค้กข้ รูจักพวกขะได้พวกขะรูพวกคะรูจักใจพวกขะอยู่เหนือโพคกขะทั้งหลายนะฐาเรามันเป็นอย่างที่เป็นเถิเท่าไปบอยู่เจ้าธรรมะมีราคามีรมายแต่ให้เข้าใจให้พิจารณาแก่เรื่องธรรมานี่จะหากว่าเข้าใจบทถึงความจริงแต่ทุกแต่เลยยากทุกนั่งพูดยากยากมันจิเป็นอย่างจังยากยามันจะเป็นอย่างที่ยนยากมันมัเป็นวิธียาก เมบ่อี้ที่นี่ยันยานวัฒนธถรมยานเจ้าของเราเนี่ยมันเปนานนีอื่นลยยานเจ้าของคืดแล้วก็ยานคนยานเจ้าของคือกันก็เข้าไปในป่าในหุ่นกันคืดยานเห็นว่าจะ่นี่พี่หอกตัวเายานหดแน่มันทีนี่มันจะใส่ยานวะนรรตั้งเวียนนี่าที่ว่าวี่ยุคเดียวกัมีันเดินไปหุ่นไม่ออกเพราะอยู่คุเดียกูดูอยู่เั็นคืนปิดเลยคืดยานหมดคืดยานกันนี่พี่ลอกตัวเนียบอล น, นี่คุณยานบน ah นี่แหละมันหลอกลวงมันสร้างภาพหลอกลวงขึ้นมาเลยย่าเนี่ยยาก็มีทีเลยมีทีกันหู้เนกว่ขาดกับว่าพี่หลอกแรือเปลเออย่ากันหนึย่าเนี่ยนั่นแหละนี่นี่เรียกว่าลักษณะอวิญญาณภาพนี่มันหลอกลวงขึ้นมาหรือเฮามีเรื่องเล่างันจางๆอยู่ในบ้านนั่นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเจ้าอกเจ้าใจขึ้นอยากให อย่าหาก็เลยคืดไปเนี่ยมันทิเป็นจะหา่แล้วนะ้นั่านก็พอสงสารเห่าคนนี้กัว่าเห่าคนนี้กับงเหี้ยห่าโดนหายกอกระโดดเนี่โดนสางขึนเดียวนั้นบุพระว่าตัวัเป็นพวกตัวหารโดดละยาตนี่คันมันสิสร้างภาพมีมันกะหลงสยดึงการทีมันดีใจหนบริสนติสร้างภาพแนวหนึ่งจในดีใจแ่อันนั่นกะดีอันนันกะดีไม่จรแลวดีเดอหัวเนี่ยการจะค้องอะไร้าหัวหั อันตัวหางว่างยัดขึนเนี่ยตัวหางหลงประตูหรอกตัวหางยกขึ้นเนี่ยานสังยา ก, ยากตัวขึ้นยกยยวกยาย่าบายากตักระว่าบายากยกขึ้นว่ามีเป็นตะชั่งเนเขาก็ชั่งอันนี้ไม่เป็นตะหกักกระตัเข า, เาก็ได้หักโดยเป็นว่าน้าลายจะของมเจ้าจะเือหะเลนั่นี่แหลมันสารคดีขึ้นจริงเรื่องของคนเรื่องท่านรชากึ้นมันมันเพิ่งเปลียนอนะีกย่างมันเป็นเรื่องของมันยังสังนั่น มันเป็นยังไงมันบม่แม่มันมีเป็นตะไห้หรมันเป็นตะขวามันอะมันบริเวนตะหักน้ามันหรอกมันบริเ็นตะสั่งน้ามันหรอกของโม่ไหนมันเป็นน้ำเจ้าของหลวงนี่ละพระโพธิเจ้าจะเห็นแก้เจ้าของ่าไปแก่ยางอื่นคือธรรมะเนี่ยมันเทียงเนี่ยธรรมะน่ะมันมันเนี่ยธรรมะเน่ยมันแหงน้อยอยู่แล้วธรรมะมันเป็นทัพจ้าทั้อยู่แล้วมันนี่ก้มกินก็แล้วอันพอเทาอยู่แล้วมันก็จริงน้อยพอเขาไปถูกเล้มันไปไห้น้มันจ้ะ ในกาไปหัวนั่มันพอไปดีใจกบมันเสียต้องเป็นว่าพอาโศกอยู่เพาเจ้าจะเถื่อนียู่แล้วสมมติว่าดีขึ้นก็ดีใจสมมติว่าบม่ดีขึ้นก็เสียใจต้องหาเป็นอยู่เพราะตัวหันเนี่ยอันนั้นกับเสียเจ้าหันอ่ะบริเวณนี้ยังเนีมันเป็นใจโตนี่แหละนี่มันหลงมันหลงเพราะมันเป็นโตเป็นตนเป็นเล่าเป็นเผานี่แหละมันหลงพระพุทธเจ้าสันติให้พี่เจรนาถึงสูสภาว่าความเป็นจริงของมันทุกจริงทุกยางต่อตาม กายเท่ากัสร้างใจเท่ากัตามมันสิยู่ดีมิแห้งกับสร้างมันสิโบเก็บโบมันสิเจ็บสิไข่กับตามใจเท่าน่ะมันสิทุกข์กับสร้างมันสิสุขกับตามอย่าไปเอาจริงเอาจังก็มันหลายมันเสียเจ้าของเออมันเสียเจ้าของขนนัมันมั่นพลาดสุกตัวก็แยกสิไปเสื้อมันหลาย เป็นป่อจี ห, หัวเสียงห้องน้ำมันหรอกอันนี้มันบ่รจุจตไวใส่แก่พ่อจีห้องจีไฮน้ำมันหลายมันทั้งเป็นพ่อปานั่นมันบ่เป็นยน้ำอันนั่นใหญ่ใหมันเป็นยน้ำเห่ามันบ่เป็นอยู่พูลมันเป็นอยู่พี่มันเป็นว่าเห่านี่เป็นต้าเหตุมานี่อันนั้นมันเป็นผลมันอืมนั่นมันมเป็นผลมันมันบม่ได้เป็นอี่อย่างเลยทุกจริงทุกอย่า ง, ง, งมันเป็นพระความยึดมันถือมันของพวกเห่าทั้งหลายนี่เอง พู้บ่เห็นธรรมะตามก้นเปจริงนั่งค้นกัไปเอาจริงเอาจังก็มันน้ำของที่บ่จริงบ่จังเนี่ใหามันจริงมันจังห่วยเมนไพรเม่นังบอกเสอมันเป็นไปบ่ได้ตัวละการรักษาไหวมันพอคว้านแต่เนี๋ยวเนื้อข้าวมันบ่แตกเนื้อข้าวมันบ่เก็บบ่ไข่การักษามันไหวข้อไใส่มันเมนจังไรมัน็คยบ่ขึ้นมาเ้าเดจนเดี๋ยวทีมันเอฟมุ่นนีเว้ยสิไปไขห้นั้งเช็นวตาย่างง้หมูมุนนี่ เออนั่นอืแต่เช็ตี้ยมนมันร้อนนี่แล้วมันมัร้อนทูกระเดมก็ะบอกเอามันไยหันเนี่ยเย็จะไหนมันจะเป็นนั่งไห้ฟองมันยี่หันจะบอกทุกเชียงตุ้อย่างเนี่กายเท่ากันคิตเท่ากันอืมเรียกว่าของเท่าหรือของของเท่าทั้งหลายมีคือกันเช่นกันให้เทารู้จักกำลังกายหลุจักกำลังเจรองของเท่าให้มันรู้จักธรรมะไปเย็ดมันเชื้อมันมันจนเกินไปจนผลจากธรรมะเดี๋มันกลาเป็นโทษนี่นี่หละการประพริบธรรมะ ให้พอกันหูจังวะเพื่อหายใจเข้าเปลยนธรรมะหาจเป็่นธรรมะหันมาเห็นธรรมะน่ะข่วงโกดเทียมันเคยมีมากนั่นถึงแม่มันมีอยู่มันก็มีกําลังหน่อยโรคเทียมันเคยเปลียนมาอยู่นั่นมันก็หีกําลังหน่อยลงเพราะข่วงรู้ซึ้อไผ่ในกิจของเข้าทั้งหลายเที่ยาไปรูดจากธรรมะให้ปั๊บปุ่มัวของเข้ายาไปปับปุมธรรมะ ยาไปแกะบอลมันเลีวอล่างมื่แกะบอลมันบ่ันแดีวนี่ใจยาไปถากบอนต้องใส่กบเขาท่ากระแดกเลีวกันเมื่อถากมวนบันใส่กบมันม้วนโปรีสเเขาไปหาให้แก้เล่าเขาไปหาธรรมะยาไปแกะธรรมะมาใจจะฟองท่านมะมันคือควบจริงถ้าเือควมจริงเนี่ยเป็นสนมันบวมีควบหน่อยบวมมีควใหญ่บมีควสุกบวมีควบสุกอยู่หันมันจะควบสมจูรบอยู่บนหัน ถึงแม่ใจเล่าชาเข้าไปคิดถึงเดียใจห้าวกระจองเป็นอย่างจันถึงแม่จะมองเป็นวัตถุกระจังถึงสิสภาสภาว่าอันมันพอดีแล้วมันกับวุฒแนีสิเพิ่มเกาเรือเอาออกอีกมันสิมีลักษณะอย่างนี้อยู่ภายในจิตของผูง้ประกอบคดีทำหรือปฏิบัติทำเมื่อถูกร่วมปลุกเป็นว่าเป็นตน้นอันนัน้นมันมีอยู่ภายในจิตแล้วคือการกลับไม่ห้องอันหนึง่งมีเกาอีอันยังอยู่หันเกาอี้อันนั้นกัน นั่งในยผู้เดียวการค้นผู้หนึงกัไปนั่งเดียวค้นผู้สองว่าเขาไปในห้องที่ไปนั่งเก้าอี้อนมันไม่มีบนนั่งมไม่มีบนนั่งแต่ยืนวนยื่ในห้องอ่ะมันก็ะดิกเท่ไรเนี่ยนี่ต่ใจวายจริงๆผู้รู้เท่าตามไป็จริงที่ผู้รู้ซึดของเราด้วยธรรมะมีอยู่แล้วโรภโทสาที่มันเกิดถึงวมาเป็นอาธรรมมันสิหวนกับไปแสกในจิตตองเงามันมีันอยู่หรอกที่กาในห้องนั่นนี่เก้าอี้อันนึ่งเก้าอี้อันนั้นเท่ากับไปนั่งเลย ผู้ที่สองกับไปกับวิบนั่มันระดิ่งยืนสียังมื่อกาดีออกจากห้องตนนี่ขึ้นกันหมายเป็มพวกรู้สึกของเราพร้อมอยู่เส ม, มอแล้วสติเรามีแล้ ว, วสัมปชัญญะเรามีอยู่แล้วเมื่ออารมณ์ได้พามาไปพุกเป็นหนดมันจะไปแยกอารมณ์ที่ธรรมะอนมันไหนบ่อเยี่ยมวัฏจางนี้ไปทันใด น, นี่เดียวว่าลักษณะมักทับกิจเข้าไปส่งจบถึงกันในการพ่าใจิตาหากัมันบุมี้ผู้ได้นั้นกับไปนันเป็นเจ้าวานเหนือขันยาบา คนมีจะความบาดเับไปนั่งอยฮันเลียู่วเก้าอี้ฮันล้วมันกับพฤตการอยฮันเลียนมันกั บ, บริหารการงานอยฮันเล้วนี่เรียกว่าสติระบมีสัญญารบมเห็นความใจธรรมะระบมีเป็นตัวความรู้ระบมีความหกงเข้าไปนั่งเก้าอี้หันอยู่ภายในจิตแต่เมนเบอร์อรุณมันจะไปหูกพฤติการยทุกจริงทุกอย่างนั่นจะก้มถูกกับมุงหัวใจของเอาโบเซาเจืเนียนี่เรียกว่ามักับเจมันแย่กันอยู่อย่างอีเอง ถามเรามีมาเพื่มดูเศร้าสภาวะอยู่ในจิตต้องเข้าแล้วมันเตีมตื่นอยู่นี่เนี่ยเมื่อมีพวืรู้อซึกเคลื่อนเกิดภูมิเป็นมากน่ะมันกับผรู้กับผเห็นนี่ยมันไปเจอกันเท่านั้นี่ยมันจะมาได้ไหนกน่นมันมีกําลังผู้ริมีกําลังมันจะถอยออกไปชั้นใดอารมณ์ก็ดีอารมณ์มันก็เป็นส่วนยิตเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าจิตเจ้ามันบาหลงอารมณ์มันจะทีเป็นอยังงอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์คิตมันก็เป็นคิต ว่อทุกข์มันจะเป็นชุกบว่องชุบมันก็เป็นชุบจิตที่มองเห็นชุบเห็นชุบอยู่ตามสภาพะอันนั้นมันจะมีอยู่อันนี่เรียกว่าฟังทมเข้าไปถึงจิตจิตเดี๋ยวมันเป็นท่ำท่ำอยู่ในจิตเมื่อมันอยู่ในจิตเมื่อจิตเป็นท่มอะท่ำสามารถนแง่ยใดมุมใดมันก็เห็นอยู่มันบริสุทธิ์มานี่นี่ลักษณะมัตต์าจิตมันขาโดยวิธีรูปียบอย่างนี้เองอืนั่นลักษณะเขมรุ่ยพลายเยาวบ้านนี่ห้อยเบ้อแล้วจะฟองเยาวบ้าน มาถ้ามาเลยมาถึงมาจะได้กินจน่มมันคนเน้มันก็จะหนีนี่คองจะคล้องบานี่ทีว่าจะไดควดูซึ้งคิดในธรรมะม่อนีอารมณ์ทางไดควมาเห็นนว่าจสมมติคนเนี้ยปุจจัยหายจจาห์มือเนี้ยมันเป็นบาไปคนเนี้ยมัน่างอยงนี้นี่ต่อเือกันก็เอาอยู่บานเท่เนี้ยือมีจะคล้องบานมาขาวไปมาถึงมาจะได้กินเท่านั้นมันยังเรามอเนีมาถึงอบัดิวมาอย่างนี้คือคนบูชาธรรมะ บ่โหจะคิดบ่โหจะถูกบ่โหจะคิดบ่โหจกอารมณ์ส่งเสีกันต่นอารมณ์ดีก็หัวในอารมณ์ล า, า, ายก็หายมุ่งยุ่งจนสัน่นแล้ยแยกกันออกบ่ไหร่นี่คือภูมประพฤติถ่ำปฏิบัติถ้ำบ่รู้ถ้ำมาขาดทุนอยู่ดิฉันั่นจึงให้พวันหน้าไว้ให้ถ้ำมาเขาอยู่ในที่คนเจ้าขอ ง, องให้มันได้ท่านกับดูทาํานี่คือการสร้างถ้ำทุกวัานพระ ท, ท, ทุกทุกท่านศา ไม่ออกจะเสียภาคกันสร้างถิ่นสร้างก่อยไปยืนไปเดินไปนั่งไปก็ะหายนี้อยู่เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาพุกแยกพุกบโลดอารมณ์เป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างจิตสบายอยู่เมือ่ อ, อ, อนะถูกอารมณ์ปุกมากเป็นต้นเพอาะวใจกระทุกน่นมันถงอารมณ์ว่าถิ่นตก็เป็นมันเป็นเรื่องพองญาติฉะนั่นสัเจียงสั่สติคือก็เรื่องใดสญญมบัติญาณก้ ม, มกอยู่ตัวอืให้มีก้มรู้สึกงจะพ่ายแนละจิตตลอดการยืนการเดินการนั่งการนอน ทุกๆอริยบทนั่นเนี่ยสันติวเรียกว่าภาวนาพุทโธท่ามที่ว่าเหตุที่ว่าพุทโธมันเกิดผู้รู้ขึ้นมาอยู่เสมอนั่นเละมีผลเรียกว่าบริกรรมว่าพุทโธฐานอารมณ์ขมามันหูไรอารมณ์ขมามันแก่ไรมันอธิบายไรมันรู้ถึงอารมอันนั้นซึ่งว่าผลของพุทโธพว้รู้อันนี้ซึ่งว่าคลอดออกมาจากพุทโธเป็นตัวรู้ให้มันมีผู้รู้ยังสิ ฉะนั้นสันตินิยมว่าเอาขั้มบริกรรมมาคูโต้โต้โตมาบริกรรมเพื่อให้มันคลอดผูรู้ว่าเป็นผู้รู้ต่ออารมณ์เสมอนี่เรียกว่าการฝั่งขมะแล้วก็ได้ผลรู้ธรรมะแล้วก็ไปประพฤติธรรมะประพฤติธรรมะเห็นแล้ปฏิบัติธรรมะเพื่อให้มันเป็นธรรมะอยู่ในใจของเจ้าของนี่เรียกว่าผู้เป็นธรรมผู้เข้าใจเนี่ยธรรมผู้เห็นธรรม อยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มีผลในปัจีบันได่สงสัยในการประพฤติในการปฏิบัติในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เคยได้ยินมาได้ฟังมาได้ปฏิบัติมาเมื่อความรู้สึก้อเห็นอยู่ในจิตเฉพาะหน้าโยมามเสมอนั้นสัทธาคือความเชื่อมั่นในขั้นภาษีรัตนาใจคือพระพุติประจมประสงค์นั้นมันบ่ขึ้นมันบ่ค่ายหรอนะ นี่จะมันเดินนักนะก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไว้ม่อไหนสงสัยยิ่งคิดชากว้างนั่งเร่สงสัยในประคุในประทับในพระสง์